ส, งสังขัญจะสารังคาตัวจะตริอริยาสัจจานิยายปาปัสสีส่วนผู้ใดอุาทาธรรมพระสงฆ์เป็นพระแลว้วสัจคือความจริงอันประเ ส, สีด้วยปัญญาหันชอบ ทุขังทุกข์สมุปาทางทุกขาขาจาติกะมังอริยจัตถังขีกังมะขังทุกขูปะสมะขมินงังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกเสียได้และหุนทาง องแปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนาโมดามังเอตังสารณมาคมาสะปาทุขาปมุจจาตินั่นแหละเป็นสารณาอันกเกษมนั่นเป็นสารนาอันสูงสุด เขาอาศัยสารา น, านันแล้วยอมพ้นจากทุกทั้ง่วงได้